งัวันนี้ก็ต่อคําว่าอธิษฐานอธิษฐานทรัพท์นั้นก็แปลว่าความตั้งใจมั่นนะการที่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแม้ถึงคราวที่ทรัพย์สมบัติทั้งปวงของตนจะพินาศไปต่างๆหรือมีภัยอันตรายเกิดขึ้นจิตใจก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เสียดายทรัพย์ในคราวที่จะบริจาคมหาทานโดยพิจารณาเห็นทานเป็นต้น เป็นความบริสุทธิ์ด้จิตใจที่ตั้งมั่นไม่เศร้าหมองก็เป็นอธิฐานบารมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวความตั้งใจที่เป็นไปโดยการต่างๆอธิฐานบารมีก็ตั้งมั่นในไหนในโพธิสมภารตั้งมั่นในการที่จะบรรลุธรรมความตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้เป็นอธิฐานนะบารมีแลอธิฐานก็เริมมีความตั้งมั่นในโพธิสมภารเป็นลักษณะ คำโพธิสมผานก็หมายความว่าเพื่อสัมภาระก็หมายความว่าที่จะต้องตั้งมั่นไม่ถอนความตั้งใจถ้ายังไม่บรรลุโพธิสัมมาสัมโพธิปัเจกโพธิสาวกะโพธิใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ถอนมีความครอบงําสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เดิน อะไรที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือมีการขม่มกําจัดปฏิปักษ์ธรรมของโพธิสสมผารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นหน้าที่อะไรมันจะมาขัดขวางเช่นความไม่มีศรัทธาความไม่เชื่อมั่นเนี่ยก็ขจัดความไม่ไม่เชื่อมั่นออกไปเอาความเชื่อมั่นกลับคืนมาถ้าเกลียดค้านย่อนยานทอ้อถอย ท, อ ท, อท้อแท้ก็ขจัดออกไปไอตัวอธิษฐานน่าจะขจัดออกไป แล้วก็เอาความเพียนความแก้วกล้ามาเป็นหลักดําเนินชีวิตฟั่นเพือนเรือนหลงมากําจัดความปั่นเปลินเรือนเรือนหลงสเติเออกไปเอาสติามาฟุ้งซ่านเอาความฟุง้งซออกไปเอาสมาธิความตั้งจิตมั่นมาความหลงไม่รู้ไม่เข้าใจกําจัดออกไปแล้วก็ขวายคว้าหาความรักษาเนี่ยรักษ า, กษาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเข้าถึงนั้นต้องกําจัดสิ่งกีดขวางแห่งการบรรลุให้หมด หรือจุดหมายที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยต้องไปให้ได้ไปให้ถึงเ <laughs> มื่อได้ตั้งจิตไว้แล้วเนี่ยไม่ถอนความตั้งใจจนเด็ดขาดคนแบบนี้เดียวไหมแต่ห้ามบอกว่าเออฉันจะต้องไปฆ่าคนนี้แล้วจะต้องฆ่าให้ได้เป็นอะไรที่ฐานไหมไม่เป็นนะเออฉันจะต้องสึกให้ได้เป็นอะไรที่ฐานหรือเปล่เป็นไม่เป็นไม่เป็น่บอกา ถึงแม่อยากสึกฉันจะไม่สึกอย่างเด็กขาดเออเนี่ยอธิษานไว้อย่างนี้ตั้งใจมันไม่ทอเอาสิแล้วก็นี่ฉันไม่เอาผ้าออกสะอย่างฉันไม่กล่าววาจาสะอย่างจะสึกได้ไฉันจะอยู่มันอย่างนี้เอาสิเนี่ยโอ้โหตั้งจิตมันทำได้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น มีความไม่หวั่นไหวเป็นผลนะแล้วก็มีต่ความตั้งมั่นในโพธ่สัมภาระเป็นเหตุใกล้ต่อไปก็เป็นเมตตาบา ร, รมีนะเมตตาบา ร, รมนะีสภาพของเมตตาก็มีความรักความปรารถนาดีนี่แหละสภาพจิตที่เอื้อทอนนี่แหละนะมีความเป็นไปโดยอาการที่เป็นไปประโยชน์ก็คือมีความเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็คือมีความรักปรารถนาดีต้องการน้อม ต้องการหยิบยื่นประโยชน์ให้กับเขาหยิบยื่นความสุขไปให้เขาหยิบยื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะก็ไม่มองหาใครก็อี๋เขาจะเขาจะได้ประโยชน์อะไรเงี้อย่างเห็นเจ้าเน้นแชมป์ไอเน้นแชมป์ปรารถนาอะไรนะนีคือเนี่ยอ๋อเน้นแชมป์เนี่ยก็อยากจะได้ยาแก้ไอก็เอายาแก้ไอไปให้เนี่ยอ๋อเน้นแชมป์ คิดชั่วอยู่หรือเปล่าอันนี้ห้ามตามใจเมตตาก็มีความเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นรักมีการนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลนะหรือมีการนําออกซึ่งความอาฆาตเบียดเบียนเป็ น, เป น, เปนหน้าที่ก็หมายความว่าตัวเมตตาเนี่ยลักษณะของเมตตาเนี่ยกำจัดอะไรกําจัดความอาฆาตกํากจัดความโกรธหงุดหงิดกําจัดความโกรธออกหน้าที่ของเขหน้าที่ของเมตตาเนี่ย ใช้จิตดุเงียบจิตโกรธกำจัดออกนะกำจัดความโกรธออกนั้นก็มีการกำจัดกาจัดความโกรธหน้าที่ของเขาผลผลของเมตตาก็คือมีความสุภาพก็ได้มีความน่ารัก เราต้องการอยากจะคนค น, นี้เมตตาเดินหรื อ, อยกกังกระดูกิริยาทางกายน่ารักไหมกิริยาทางวาจาน่ารักไหมพฤติกรรมที่แสดงออกมาบุคลิกภาพทั้งหลายออกมาแบบน่ารักไหมอ่อนโยนหรือไม่ดูไม่ยากถ้าดูยังแข็งตาก็แข็งการกระทําก็แข็งหน้านิ่วคิ้วขมวดออกมานี่แปลว่าเมตตาไม่ได้เดินจริงในชีวิตของคนคนนั้นอม่อที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยสัมเนนมาบวชมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยคิดว่าสภาพจิตเมตตามีมากขึ้นไหม มีไหมจินอ่อนโยนขึ้นหรือเ่าหรือแข็งกระด้างอยู่อ่อนรยนไหมอ่อนไม่อ่อนอ่อนโยนขึ้นนะห้ามโกหกนะอ่อนโยนอย่มั้ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเมตาก็จะดูผลตรงนี้อะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตามีการเห็นความพอใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ เมตตาจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นหละฉะนั้นเมตตาก็มีความรักความปราถนาดีความเอื้ออทรจิตของเมตตาก็คือคำจับความมาฆาาผลปรากฏของเมตตาก็จะเห็นชัดจากกายก็สะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดก็คือกายก็ดูความดูอาการน่ารักมันเกิดขึ้นเหตุใกล้ของเมตตาก็คือภาวะที่เพ่งมองดูเห็นจุดเด่นตัวโยนิโสตัวคิดคิดเห็น จุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายได้งานนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้เป็นเหตุใกล้มีความพอใจอภิการต่อมาผู้เบิกขาผู้เบกขาเนี่ยมีความเป็นไปโดยการที่เป็นกลางวางเฉยในสุขและทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายดำเนินไปโดยสม่ำเสมอในความปรุงแต่งของสัตว์ทั้งที่น่าพอใจและไม่พอใจขจัดความยินดีและความยินร้ายได้ อุเบกขาจะมีการวางเฉยเป็นกลางเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นนั้นตัวเบกขาจะเจริญค่อนข้างยากอะอย่างยกตัวอย่างนะในชาตทิที่ทรงเจริญอุเบกขาบา ร, รมีเนี่ยเดี๋ยวเดีวก่อนแล้วก็อุเบกขาบา ร, รมีบา ร, รมีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นที่สม่ำเสมอกันเป็นกิจมีการสงบก็คือความเครียดแค้นและความเสื่อมเป็นผลปรากฏด้วย พิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของต น, นมีอยู่ชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์สวยว่าชาติเป็นฤๅษีมันมีไอ้ลิงแสนซนตัวหนึ่งอ่ะมันชอบแกล้งเนี่ยฤๅษีเวลาฤๅษีมานั่งเล่นอย่างนี้ไอ้เจ้าลิงเดินนี้มันกระโดดมาแล้วมันโดดมาจากป่าปุ๊บปุ๊ป๊บมาทั้ที่ฤๅษีกําลังนั่งเข้าสมาธิอย่างเนี้ยนะไอ้เจ้าลิงนี่โดดขึ้นมาบนบ่าเนี่ยแล้วก็มาเหยียบบนหัวเหยียบเสร็จปุ๊บ ก, ก็ กัดบ้างอะไรบ้างขยม่มขยม่มขยม่มขยม่มท่านก็บางทีก็ลืมตาดูแต่ท่านไม่รำคาญนะวางใจเป็นกลางมันมันก็ยิ่งใหญ่ขยม่มขยม่มขยม่มอันนี่หนักไปกว่านั้นก็ปัสสวาวะลดหัวเลยคือถ่ายถ่ายปัสสวาวะลดหัวพระโพธิสัตว์นะรู้สี อ, อ่ะออย่างเราถ้ามันถ่ายอย่างนั้นจะทำยังไงอ่จะนนะจะลุกขึ้นตีมันไหตีไม่ตี เห็นไหมการวางท่านก็วางเฉยอจัดนี้ทํากรรมเม็ดเขาพิจารณาว่าเออเดี๋ยวกรรมก็ให้ผลนี่ที่หนักไปกว่านั้นนะทายุจระอีกแต่นี้หนักไปกันแล้วบางวันนะเอาไอ้ขออภัยในองค์กชาตเนี่ยเอามาแย่หูพระบออสีบางทีนั่งเอาเอามันจังเออมันทลึงไอ้ไอ้ลิงเนี่ยเอาองคชาตมาแย่หูบ้างมาแย่เข้าจมูกบางทีก็ทิ่มตาบาก ดูดูความดือ้อดื้อของของของลิงนั้นทําอย่างนั้นตลอดแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่เคยไปโกรธไปยินดียินร้ายทาั้งทั้งที่สามารถจะทําร้ายให้ตายก็ได้แต่ไม่อาฆาตไม่ไม่พยาบาทวางใจเป็นกลางเข้าใจให้อุเบกขาเป็นขนาดนั้นพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนว่าเออไอ้ลิงตัวเนี้ยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันทำกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรหรอกแล้วก็ทําอย่างนี้เป็นประจําเป็นนิดเลย บางทีเอาไปเล่นเล่ น, ล น, ลนสักพักหนึ่งโซนมันนะนักเข้านักเข้าเห็นโอ้โหฤาษีโดดใจเลยอะเห็นฤาษี น, นั่งนั่งนั่งโดดใจฟังโดดฟุกใส่หัวเงี้ยแล้วก็ขย่มบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มบุมขยมเงี้ยถ้าอย่งางเราทนไหวไหมนี่มีวันหนึ่งแต่นี้กรรมตอนกรรมจะให้ผลนี่คืความทเรื่องตึงตังของลิงตัวเนี้นั่งเข้าไปที่ชายน้ําวใช่ไหมนันไปเห็นเต่าตัวหนึ่งเต่านอนอ้าปากอยู่ ท่นทะลึงมันก็เอาเนี่ยองกระชาตของเขาเไปสอดเข้าในปากเตา่าเหมือนทำฤาษีนี่ไม่ใช่ฤาษีใช่ไหมปุ๊บเข้าไปเต่างับปุ๊บเออหฮือร้ อ, อ, องใหญ่เลยตอเนี้ร้องเลยเป็นกัดมาทำไงดึงออกไหมดึงไม่ออกทำไงล่ะโอ้หนึกถึงโอ้ยใครน้อยจะช่วยเราได้ก็มีฤาษีตัวนี้แหละ เ, เต๋อท่านนี่จะช่วยได้ก็เลยอุ้ม อุ้มเต่าตัวใหญ่เดินเขาจะมันกัดกัดองค์กำเนิดตัเองก็อุ้มใช่ไหมอุ้มอุ้มเดินเดินเดินฤาษีก็เห็นแต่ไกลก็เลยเลยถามบอกว่าใครหนอเดินมาแต่ไกลดูอาการสํารวมคล้ายยพภะพระบินทบาทเหมือนพระบินทบาทเข้าใจไหมตอ น, นี้ไอ้ทาง ทางลิงก็บอก อ, อย่ายะ อ, ยาย ะ, อยายะเย้ยข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าโซนไม่รูร้เอาเนี่ยองค์กําเนิดเนี่ยไปสอดเข้าปากเนี่ยเต่าเตาก็งับเอาขอให้ท่านช่วยด้วยเถอเพระบริษัตก็เมตตา เ, เออก็กรุณาสงสารนะโอ้ถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยจะลำบากไหนก็เลยบอกไปพูดปอบโยมเปล่า บอกว่าเออเนี่ยแต่ก่อนในอดีตเนี่ยเต่ากับลิงเนี่ยเคยเป็นญาติกันยังไงใช่ไหมอย่าได้ประทธร้ายกันเลยบอกพอบอกนี้เวทเสกปุ๊บว่าเต่าก็ค่อยๆอาป่าโ อ, อ้โหพอออกได้ทําความเคาราพพระโพธิสัตว์โดดเข้าป่าตั้งแต่นั้นไม่มารบกวนอีกเลย <laughs> นี่นี่เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นในบรรดาบารมีทั้งหมดเนี่ยอุเบกขาบารมีเนี่ยจเจริญยากไม่ไง่ายหรอก แต่ว่าบุคคลที่เจริญได้ก็ประสบความสำเป็จนั้นในบางชาติที่เจริญเวขาบารมีในะบางทีก็อย่างยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นว่าบางทีไปอยู่ในป่าชานะ้า <c oughs> เด็กก็าฝุ่นมาโรยบ้างนะมาปัสสาวะรถบ้างแล้วมาด่าบ้างก็มีบางทีคนมากราบไหว้มาสักการะบูชาไหมคนที่มากราบไหว้มาสักการะบูชาก็ไม่ทําจิตยินดีเมื่อเขามาประทุสร้ายมาทําร้ายก็ไม่ไม่มีจิตเท่าหมอง วางใจเรียบสม่ำเสมอเห็นความเป็นวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเองใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของกรรมนี่เวทีาบารมีเป็นไปรักษาหรือนั่งแยกกับขันติบารมีได้ยังไงต่างกันยังไงถ้าขันมันมันก็เกื้อกูลกันเนี่ยในขันติบารมีเนี่ยจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของกรรมหรือผลของกรรม แต่แต่ในด้านอุเบกขาบารมีจะหนักไปที่ปัญญาแต่ในด้านของขันติเนี่ยก็จะอดทนนะหนักไปที่ความอดทนอดกลัน้นไม่โกรธขจัดความไม่โกรธให้เกิดขึ้ น, น, นวางใจให้เป็นวางให้พิจารณาที่อยู่ด้วยปัญญาในลักษณะนั้นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ทําความโกรธให้พกุกพาด้วยไม่ความโกรธความหยุดแต่อุเบกขาเนี่ยหนักไปกว่านั้นก็คือว่านอกจากไม่โกรธแล้วต้องวางไม่ไม่ยินดีด้วย ไม่ยินดีเมื่อเขามามาทําสิ่งที่ดีๆทั้งหลายตอนนี้เ น, นี่ตักนี่พอมองเห็นนะนี่แหละคือในด้านของบารมีที่พ่อโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญมางนั้นถ้าพูดถึงในด้านของอุเบกขาบารมีเนี่ยเป็นเรื่องที่จเจริญยากการมีความเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลายที่มีอุปการลคุณหรือไม่มีอุปการลณ์คุณเขาจะมีอุปการลณ์คุณหรือไม่มีอุปการลคุณเนี่ยอุเบกขาบารมีก็ตั้งขึ้นอย่างนั้น อย่างพวกเราก็เอียงเลยจะ่ำให้คนนี้มีคุณกับเราคนนี้มีโทษกับเรานี่ถ้าการวางใจเป็นกลางในสัตว์และสังขารที่มีอุปการาคุณหรือที่ทํำร้ายอวัยวะนว้อยใหญ่มีดวงตาเป็นต้นของตนที่พินาศก็สามารถวางเฉยได้หรือ น, นี่เป็นอุอปปารามีนะถ้าการวางใจเป็นกลางในสัตว์และสังขารที่มีการอุปการาคุณหรือชีวิตที่ต้องพินาศไปด้วยอุปัตถวะต่างๆก็วางใจเป็นกลางได้ ขนาดนั้นเลยมั้โดยในบารมีเหล่านี้การจําแนกบา ร, รมีแต่ละอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็จําแนกเป็นระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับอุกฤษทีนี้ธรรมดาบา ร, รมีเหล่านั้นก็คือว่าท ร, รมาอะไรเป็นปัจจัยให้บําเพ็ญบาร ม, รรมีนั้นสําเร็จก็ดังที่ได้กล่าวก็คือว่าอภินิหารอภินิหารคือความตั้งใจแน่วแน่นะไม่ใช่เป็นลิธ ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์8คือธรรมะสมโธทาน8ประการเนี่ยมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นนีต้องทําให้บริบูรณ์ในขณะจิตุบาทเดียวก่อนได้รับพุทธภยากรเป็นนิยตตาโพธิสัตว์ครั้งแรกจากพระธีพังกรสัมมาวุตตเจ้าเป็นต้นถามว่าธรรมะอะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมีทั้งหลายก็คือการบําเพ็ญทานบําเพ็ญศีลบําเพ็ญภาวนาที่เกี่ยวด้วยตัณหามานณทิฐินั่นเป็นความเศร้าหมองของบารมี ฉะนั้นถ้าตันหาคือความทยานอยากมานะคือยกตนชูตนทิฏฐิคือความหมิ่นผิดไปเกลือนกล้วในการบำเพ็ญบา ร, รมีแต่ละข้อขึอข้นมาปุ๊บนี่นี่เป็นความเศร้าหมองแล้วการกําหนดและการจอดจองวัตถุทานเช่นเมื่อมีวัตถุทานที่ประณีตก็ให้วัตถุทานที่เศร้าหมองมีวัตถุทานมากมายแต่ให้วัตถุทานเล็กน้อยกําหนดเจาะ จ, จงปฏิค้า6ผู้รับให้ทานเฉพาะผู้ที่ตนเองรักตัวเองชอบเท่านั้นเหล่านี้อันนี้เป็นความเศร้าหมองทานบา ร, รมี ถ้าทานบารมีเนี่ยมันจะเศร้าหมองตรงที่เราไปเจาะจงวัตถุเจาะจงอะไรต่างๆแล้วก็มีการว่าของดีๆไม่ให้เขาไ ป, ไปให้แต่ของที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะเศร้าหมองอย่างนี้แหละประการที่2การกําหนดและรักษาศีลเนี่ยเจาะจงเฉพาะที่ตนเองรักว่าเราจะไม่ลักขโมยหรือจะประพฤติไม่ประพฤติผิดในบุตรภรยาบุคคลที่เป็นญาติของเราหรือกําหนดเวลารักษาศีลเฉพาะเวลา1 คืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่รักษาตลอดไปอย่างี้ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นความเศร้าหมองของศีลและบารมีไม่ได้บำเพ็ญได้ติดต่อหรือการกำหนดยินดีในเมถุนสังโยคเช่นว่าหลีกออกจากมาบวชอยู่แต่มีใจยินดีในเสียงของมาตุคามบ้างยินดีในทรัพย์สมบัติของครหหาคบุดีบ้างผู้มั่งคั่งบมรูเตอนลตนด้วยการมาคุณทั้งหลายเป็นต้นอเี้ย และความเป็นผู้ไม่ยินดีในธรรมที่สงบรังงักกิเลสเหล่านี้ก็เป็นความเศร้าหมองของเนคขมะบา ร, รมีไม่เนคขมะบ ร, รมีเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราจะต้องต้องไม่ยินดีเอาออกบวชแล้วเนี่ยต้องออกบวชแต่บางคนออกบวชมาแล้วก็ยังไปยินดีเสียงเพลงยินดีเสียงมาตุคามยินดีทรัพย์สมบัติยินดีในขณะบุญดีที่เขามาดูแลเออเนี่ยอย่างงี้เป็นต้นอยากจะให้เขาบํารุงบําเลเราดีๆ อยากให้เขาเอาการมาคุณที่เลื่อมาให้เราอย่างนี้เป็นต้นการมีความเห็นผิดว่าอัตภาพร่างกายขันห้านี้เป็นเราหรือเห็นว่าทรัพย์สมบัติต่างๆแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเป็นของแท่งแท้อยู่เนืองนิดเหล่านี้เป็นความเศร้าหมองปัญญาบารมีคือไปเห็นด้วยความเป็นอัตตาตัวตนเป็นผู้ทํำไปเห็นเป็นเราเป็นของของเราเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นความเศร้าหมองของปัญญาบารมีอยู่แล้วฉะนั้นบุคคลที่จะเจริญปัญญาบารมีก็ต้องเข้าใจว่ากระบวนการของกระแสของชีวิต กระแสของชีวิตเท่านั้นจี่มัดำเนินไปอยู่ต้องแยกสมมุติกับปรามาสให้ชัดถ้ายังติดสมมุติอยู่นี่ปัญญาบา ร, รมีไม่เด่นก็จะต้องมองให้เห็นว่าสมมุตินั้มีไว้เพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วมันคือกระแสของปรมัตสธรรมสภาวธรรมกระแสของชีวิตเนี่ยความโผดผูกท้อถอยต่อการบําเพลินเพียนและมีจิตฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆฟุ้งซ่านไปในสีเสียงกลิ่นรสผดผลาญเป็นต้นเหล่านี้หรือไปในการมวนตกตรึกในเรื่องการบ้าง ความกำหนัดหนึ่งเนืองเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นความเศร้มองของวิทยาบารมีการไม่สามารถอดกลั้นต่อความโกรธของตนเองได้หรือการไม่สามารถอดกลั้นต่อการที่ผู้อื่นทําให้โกรธอันนี้เป็นเป็นเหตุให้ความโกรธตอบหรือทำให้ปัททุไลา์ตอบเหล่านี้อันนี้เป็นความเศร้มองของคันติบารมีคันติบารมีเน้นๆเนือๆเลยก็คือว่าต้องไม่โกรธนะต้องขจัดความโกรธได้ การพูดเท็จทั้งๆที่รู้ความจริงเช่นสิ่งที่ตนเห็นกล่าวว่าไม่เห็นสิ่งที่ตนเองได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินสิ่งที่ตนเองพบบอกไม่พบนี่เป็นต้นตนเองรู้บอกไม่รู้ตนเองไม่เห็นก็บอกว่าเห็นอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเออนี้เป็นความเศร้าหมองของสัจจะบรมีนะเป็นความเศร้าหมองสัจจะบรมีทีนี้การที่จิตเศร้าหมอง หรือเสียหายเพราะเสียดายวัตถุทานที่ตนให้ทานอยู่เป็นนิดซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อโพธิสมภารหรือการจะได้บรรลุโดยไม่ได้พิจารณาถึงคุณแห่งการบรรลุธรรมเป็นแห่งพระนิพพานเป็นต้นบารมีเหล่านี้ก็เป็นความเศร้าหมองของอธิฐานบารมีหรือการมีจิตเมตตามุ่งเฉพาะต่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกตล่ตนเป็นเมตตาจากัด กับแม่เมตตากับพ่อเมตตากับลูกเมตตาคนอื่นไม่เมตตาสัตว์อื่นไม่เมตตาอันนี้ก็เป็นความเศร้าหมองของเบิกขาบรมีการเป็นผู้มีใจเป็นกลางเอียงไปในอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ที่น่าปรารถนาเรือนิทารมที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความเศร้าหมองของอุเบกขาบรมีนะนี่อุเบกขาบรมรมีธรรมทั้งหลายก็มีความเศร้าหมองอย่างนี้แหละแล้วธรรมะอะไรล่ะเป็นความผ่องแผ้ว ที่จะทำให้บารมีเหล่านั้นเข้าถึงความผ่องแผ้วเข้าถึงความสะอาดได้การที่พระโพธิสัตว์ บ, บําเพ็ญบารมีเนี่ยไม่เกี่ยวไปด้วยตัณหามานาทิฐิไม่เกี่ยวไปด้วยกิเลสมีการ บ, บรําเพ็ญบารมีทั้งหลายเพราะประารถนาสมบัติไม่ได้บําเพ็ญบารมีเพราะประารถนาสกัดสมบัติไม่ได้ปรารถนาจักระพัฒสมบัติไม่ได้ปร า, า, ารถนาพรหมสมบัติไม่ได้ปราปรถนาสาวกบารมียานไม่ได้ปรารถนาปัเจกโพธิยาน แต่เป็นการบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อสัมมาสัมพุทธิยาณโดยแท้เนี่ยอันนี้เป็นความผ่องแผ้วเลยต้องตั้ ง, ง, งอัธยาศัยว่า น, นี่หมายถึงความที่ปรารถนาเป็นผู้เจ้านะอะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อบา ร, รมีอ่ะความเศร้าหมองทั้งหมดดังที่ได้กล่าวตัณหามานะทิฏฐิหรือกิเลสทั้งหลายนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อบา ร, รมีเมื่อกล่าวโดยเฉพาะเจอะจงแล้วนีก็คือว่าอากุศลมูลนี่แหละความโลภนีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินความโกรธความเรคมเรยียดความมัวเมาลุ่มหลงนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อทานบารมี เพราะผู้ให้ทานเนี่ยต้องประกอบไปด้วยคุณคือความไม่ตหนีในทายาทธรรมและก็ไม่รังเกียจนะผู้รับทานแม้เป็นยาจกขอทานและไม่เห็นผิดว่าทานที่ให้แล้วเป็นของไร้ผลต้องไม่เห็นผิดนะต้องมานาศิการให้ดีในการที่จะให้ฉะนั้นต้องระวังว่าการให้เนี่ยมันจะมีความกำหนัดความกโกรธหรือความขัดเคืองความรุ่มหลงทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นมาเป็นปฏิบัติกันนะนั้นก็คือว่า บารมีทั้งหลายเหล่านี้เราต้องต้อ ง, องรู้อกุศลเหล่านี้อกุศลลมูลคือความโลภกดหลงเนี่ยความโลภอยากได้วัตถุสมบัติของผู้อื่นโดยไม่ชอบทำการที่อาฆาตพยาบาทต่อสัตว์อื่นและการที่ไม่รู้อุบายวิธีในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อศีลและบารมีโดยตรงเล ย, เ น, ยนี่ต้องระวังด้วยว่าเออความโลภเนี่ยอยากจะได้วัตถุของคนอื่นและเราจึงให้ทาน หรืออาฆาตพยาบาทต่อสัตว์อื่นหรือไม่มีไม่ฉลาดในอุบายวิธีว่าจะรักษาศีลในบริสุทธิ์ยังไงเป็นการรักษาศีลแบบงมงายแบบงโง่ทำ ต, ตามตามกันมาทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการบําเพ็ญศีลบารมีการมาสุขต่างๆการติดในการคลองเรือนติดในทรัพย์สมบัติหรือการพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นการกระทำตนให้ลำบากด้วยการนอนมบนขวากหนามทรมารร่างกายตนเองอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อเนคขามาบารมีเพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของโทสะจิตเนะ อ น, นี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะบางคนมาเป็นเนีเนคขม่ า, า, มมา ก, ก้อ น, นู่นแหละไปทรมานตัวเองอยู่นั่นแหละอดอาหารทําอะไรสรารพัดอย่างนี้นะความกําหนัดในการมาคุณอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นที่ตั้งในความกําหนัดความไม่ชอบใจอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นที่ตั้งในอิทธารม์คืออารมณ์ที่ชอบใจและอิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเนี่ยและความลุ่มหลงมัวเมาต่ออารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นปฏิปักต่อปัญญาบารมีนะเพราะทําให้มืดมนต่อปัญญาอันนี้ก็ต้องฉลาดด้วยฉะนั้นความกําหนัด ขัดเคืองมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยพอเห็นพอเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วเนถ้าความกําหนัดมาปุ๊บหรือความขัดเคืองมาหรือความมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยเกิดขึ้นในรู้ถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับปัญญาบารมีนะฉะนั้นต้องขจัดความกําหนัดความขัดเคืองโดยเฉพาะไอ้ความมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยไอ้ความมืดมนทั้งหลายเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ความปรารถนากามาคุณรูปที่น่าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจเป็นต้นเหล่านี้ยเดิมนัำนปัญหาความทยานอยาก และความไม่ชอบใจในอารมณ์ต่างๆมันเป็นอนิถารล์อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจหรือความไม่รู้เท่าทันในการมาคุณต่างๆตามความเป็นจริงนี่เป็นปฏิปกักษ์กับวิริยะบารมีนะความปรารถนาในการมคุณคือสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นความไม่ชอบใจต่ออิทธารล์หรืออนิถารลมเนี่ยทั้งชอบใจและไม่ชอบใจและความมัวเมาในการมาคุณอารมณ์โดยไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นปฏิปกักษ์กับขันติบารมีด้วย เพราะคันติบา ร, รมีเนี่ยมีความอดทนต่อความสูญเสียสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเพราะคันติบา ร, รมีเนี่ยมีการกําหนดนีมีการเข้าไปเห็นความจริงด้วยต้องมีปัญญาเป็นตัวหล่อเลี้ยงด้วยการตกอยู่ในอานาจของกิเลสคือความโรคความโกรธและความหลงในอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นปฏิบัติ์กับสัจจะบา ร, รมีเหมือนกันสัจจะบา ร, รมีประพฤติเป็นไปตามความจริงตามธรรมะเนฉะนั้นแต่เราไปตกไปตามอำนาจของกิเลสมันไม่ได้ประพฤติไปตามความเป็นจริงแล้ว นั้นต้องรักษาความจริงรักษาความดีงามทั้งหลายไม่ได้ตามอำนาจขึ้กิเลสแต่เป็นไปตามที่พิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็เลยรักษาความจริงเหลนะ่านั้นความปรารถนาคําสารเสริญความปฏิฆะไม่พอใจในคํานินทาของคนพาลทั้งหลายและความลุ่มหลงมัวเมาต่อโลกธรรมได้ราบเสื่อมราบได้ยอดเสื่อมยอดนินทาสารเสริญสุขทุกข์ที่เป็นปฏิบักษต่ออธิฐานบา ร, รมีเพราะอาธิฐานบา ร, รมีมีความครอบงำโลกธรรมนะี มีจิตที่ไม่หวั่นไหวในการสั่งสมบา ร, รมีตามที่ได้สมาทานไว้ความรักใคร่ต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจตันหาเห็นไหมแทนที่เป็นเมตตาก็รักด้วยตันหาหรือขัดเคืองในสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจความโกรธและมัวเมาลุ่มหลงในรมเหล่านั้นเป็นปฏิบัติของเมตตาบา ร, รมีเพราะเมตตาบา ร, รมีเนี่ยต้องสงบระงับนิวรณ์สงบระงับการมาชันทานิวรณพยาบาทนิวรเป็นต้นได้แล้วความกำหนัดยินดีในกามที่น่าปรารถนาะความขัดเคืองต่ออิทธารมณ์ ต่ออนิถารมที่ไม่น่าปรารถนาและความรุ่มหลงมัวเมาในรมเหล่านั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อเบขาบารมีเพราะอะไรพเพราะเวบขาบารมีเนี่ยมีการกําจัดความยินดียินรไลในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเพราะอะไรพเพราะเวบขาบารมีเป็นไปอย่างสม่ําเสมอในรมที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาวางใจเป็นกลางได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดทีนี้ต่อไปก็ต้องพิจารณาหลักการพิจารณาในการบ่มเพลิน บารมีทั้ง10ประการของพระโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีจะต้องพิจารณาเห็นธรรมะที่เป็นโทษและอนิสงส์ของของบารมีทั้งสิบว่าบารมีแต่ละข้อมีข้อปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรเช่นหลักการพิจารณาในการบำเพ็ญทานบารมีนี่ข้อหาทา น, นพิจารณาพระโพธิสัตว์หรืออย่างเราเนี่ยถ้าปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีเนี่ยต้องเห็นโทษของการไม่ให้ทาน ให้พิจารณาเห็นโทษว่าการตรหนี่การห่วงของการไม่ให้มันมีโทษยังไงมันคือมันมีความพิรุษหลายอย่างเกิดมาจากความเป็นผู้มักมากในวัตถุการมมีจิตติดข้องห่วงแหนอยู่ในที่ดินไร่สวนเงินทองโคกระบือบุตรภรรยาเป็นต้นวัตถุเหล่านี้ล้วนมีภัยมากมายในพิจารณาเนี่ยเช่นถ้าเรามีที่ดินมีไร่มีสวนมีเงินมีทองมีโคมีบุตรมีภรรยามีบริวารทั้งหลายเหล่าเนี้ สิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งภัยนะเช่นพระราชาเบียดเบียดเราก็ได้โจรป้นเป็นต้นเหล่านี้ก็ได้ภัยที่เกิดจากน้ําภัยที่เกิดจากไฟภัยที่เกิดจากลมภัยที่เกิดจากการทะเลาะเบาะแว่งกันวิวาทกันนี่หรือเป็นศัตรูเข็นฆ่ากันเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารนําความทุกข์มาให้นําความโศกมาให้นั้นผู้มีจิตตนีหมกมุ่นอยู่ในวัตถุ ที่ห่วงแหนเมื่อตายไปแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดในอบายทุกติวิธิบาตในรกด้วยอย่า พ, พิจารณาอย่างนี้เห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้ใครก็อยากได้กันทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ห่วงแหนในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโทษโดยส่วนเดียวเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันว่าไอ้มีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมฉะั้นท่านจึงพิจารณาเห็นอณนนิสงของการบริจาคทานว่าเป็นเหตุให้เราเข้าถึงความสวัสดีได้ เขาถึงสุขติโลกสวรรค์จนถึงมรรคผลนิพพานเป็นต้นก็เพราะการให้การสละนี่แหละเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้ขอย่อมได้พระกรัพย์อันใหญ่หลวงได้เพราะเกิดจากการให้เป็นบันไดในการสร้างกุศลธรรมขั้นสูง <c oughs> การที่จะบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาเป็นต้นหรือเป็นคุณธรรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็ต้องมาจากการให้ทานเป็นนั่นแหละ การที่จะบรรลุสัมมาสัมโพปิญาปัจเจกโพอิญาาสาวกพอิญาาเป็นต้นนั้นก็ต้องอาศัยทานเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเรายังยึดอยู่ในวัตถุสิ่งของยังยึดหวงแหนในอ ว, อวัยวะร่างกายหรือชีวิตอยู่เราจะบรรลุสัมมาสัมปปญญาได้อย่างไรจะบรรลุ ป, ปัจเจกโพอิญาาได้อย่างไรจะบรรลุสาวกกาพธวทีญาได้อย่างไรก็เลยบอกงั้นเราจงบำเพ็ญทานบารมีสระวัตถุทานทุกอย่างต่อยาจกทั้งหลายด้วยแล้วก็เกิดปิติ พิจารณาก็าถ้าเราได้สละได้ให้แล้วให้เกิดปีติให้เกิดสมนัตว่าทานของเราเนี่ยเราได้ดีแล้วหนอเป็นลากของเราแล้วหนอทรัพย์ที่เราได้มาเนี่ยมาเป็นจะมาเป็นอริยทรัพย์จากทรัพย์ภายนอกเหไหมทรัพย์คือที่ดินทรัพย์คือไร่นาเงินทองบุตรภรรยาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตลอดถึงเสื้อผ้าเข้าของเหล่านี้เป็นทรัพย์ภายนอกเอาแล้เราจะได้อริยทรัพย์ภายในก็ต้องเอาเหล่านี้มาสละ จะทําให้เราได้ศรัทธาในพระ ต, ตรัยมากขึ้นได้ศีลได้สุตตะได้จาคะได้ปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เราจะเอามาแลกเอาทรัพย์ภายนอกแลกเอาอริยทรัพย์ภายในเนี่เป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเพื่อเป็นเหตุให้ถึงพุทธภูมิที่ได้ยากอย่างยิ่งเลิศกว่าสมบัติในโลกนี้เป็นหลักการพิจารณาในฐานบารมีนี่เป็นต้นประมองเห็นไหมยังนี่การพิจารณาฐานบารมีประการที่2ก็คือหลักการพิจารณาในการที่จะบําเพ็ญศีลบารมี เจอพระโพธิสัตว์หรือผู้คนที่ปราถนาจะบําเพ็ญบารมีปรารถนาความหลุดพ้นปรารถนาความสุขเนี่ยปรารถนาเข้าถึงความสวัสดีก็พิจารณาโทษของการไม่มีศีลว่าสัตว์โลกที่มันเดือดร้อนด้วยกิเลสทั้งหลายด้วยโลภะโทสะโมหะเพราะอะไรเพราะไม่มีเกาะเครื่องป้องกันคือศีลเนีนที่เขาเดือดร้อนกันทุกวันเนี่ยคนไม่มีศีลเดือดร้อนเช่นเดือดร้อนยังไงล่ะโรคภัยไข้เจ็บมากอายุสั้น มีซับซาบขวิบัตดต้องแตกแยกจากบุตรจากภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกันสามีภรรยาทะเลาะเบาแหวงกันอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้แล้วก็โกหกกันประทุสร้ายกันด้วยคําพูดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ขาดสติทบตีกันเนี่ยมันมาจากอะไรเนี่ยมาจากการไม่มีศีลโอ้โหพอกสัตว์ไม่มีศีลจึงเดือดร้อนว่างั้นไม่มีเครื่องป้องกันมีแต่ความที่ไม่มีศีลเป็นส่วนมาก และการที่ไม่บำเพ็ญศีลบา ร, รมีเหล่านี้แหละทําให้เราไม่อาจจะเป็นอยู่เป็นสุขในชาติปัจจุบันด้วยและไม่สามารถจะเข้าถึงชาติในอนาคตที่ดีเลิศด้วยทําให้เราไม่ได้สิ่งที่ปราถนามีแต่ได้รับการติเตียนด้วยขาดสติด้วยขาดสัมปชัญญะไม่มีมิตรเข้ากับผู้ที่มีไม่เข้ากับผู้ที่มีศีลก็เก้อเขินด้วยนั้นเราไม่มีศีลเข้าไปหาผู้มีศีลก็เก้อเขินถ้าจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร การบรรลุคุณธรรมในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรจะพาสัตย์ให้ข้ามพ้นได้อย่างไรจะพาสัตย์ให้ข้ามพ้นจากมหมันแต่ทุกข์ได้อย่างไรท่านกำพิจารณาอย่างนี้นะพระโพธิสัตว์หรือคุณผู้ที่ปรารถนาก็ พ, พิจารณานิสมการมีศีลว่าธรรมดาชื่อวศีลเป็นน้ําล้างมนทินอันเศร้าหมองล้างอะไรล้างความโลภล้างความโกรธล้างความหลงเป็นต้น คื อ, อสิ่งเหล่านี้ราคาความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเนี่ยไม่สามารถถูกกำจัดได้ด้วยแก่นจันท์เหลืองไม่สามารถกำจัดได้ด้วยน้ำตามธรรมชาติหรอกศีลเป็นเครื่องประดับอันวิเศษของคนดีทั้งหลายไม่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วสารทิศและก็เหมาะแต่ทุกการเวลาด้วยมีอำนาจยิ่งใหญ่เพราะนำมาซึ่งคุณธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็บูชากราบไหว้เป็นบันไดก้าวสู่เทวโลกและสวรรค์ทุกชั้น ในชาตัวมหาราชิกาเจ้าติงสายามาดุสิตานิมานารดีปรารณีมิสวั ส, วสดีจถึงพรหมโลกเนี่ยนี่มาจากศีนนั่นแหละเป็นอุบายบรรลุฌานด้วยการจะได้ปฐมฌานตุติยฌานตัติยฌานจตุจฌานหรือบรรลุภิญญาเนี่ยอันวิเศษเป็นทางให้บรรลุ ถ, ถึงมหานครคืนิพานอันเป็นที่ประดิษฐานของสาวกโพธิยานบ้างปัจเจกโพธิยานสัมมาโพธิยานเหมือนแก้วสารพัดนึกอู้ก็เพราะศีนนี่แหละศีนจึงเป็นแก้วสารพัดนึก ฉะั้นคนมีศีลเนี่ยหวังอะไรก็ประสบความสําเร็จผู้มีศีลอันงามย่อมไม่ติเตียนตนเองทั้งวินยูชนทั้งหลายก็ไม่กล่าวติเตียนมีแต่กล่าวสรรเสริญว่าผู้นี้เป็นควผู้มีศีลอันงดงามหนออย่างนี้ภัยต่างๆมีอัชญรอบายทุกติวินิบาตนรกทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นต้นเนี่ยย่อมไม่มีแค่ผู้มีศีลความเดือดร้อนในใจก็ไม่มีศีลก็นํามาซึ่งความสวัสดีด้วยและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยังประโยชน์ใหญ่ให้สําเร็จ นี่เป็นหลักพิจารณาในการที่จะรักษาหรือเจริญสีนบารมีพอมองเห็นหรือยั ง, ยงประการที่3หลักในการที่จะพิจารณาเนคข ม, มะบารมีพระโพธิสัตว์ก็ทรงพิจารณาเห็นโทษของกามทั้งหลายว่าคือการติดอยู่ในกาลมาสุขและการคลองเรือนเนี่ยเป็นการคับแคบเป็นการคับแคบและเป็นทางแห่งทุรีด้วยนะเป็นทางแทุลี ทุรีก็คือกิเลสทั้งหลายมีราคาความกัมหนักโทสะความโกรธและโมหะความหลงนี่แหละทุรียนนี่คือกิเลสการมคุณก็เลยอุปมาด้วยโครงกระดูกบ้างมีสุขน้อยมีความคับแค้นมากมีทุกมากมีความยินดีน้อยมีโทษมากแล้วก็มีความลำบากนานแม้มารดาก็ทะเลาะ ก, กันกระ บ, บุตรบุตรก็ทะเลาะ ก, กับบิดาฉนั้นบุคคลที่ติดในการมาคุณก็เหมือนอะไรเหมือนถือความไฟวิ่งทวนลม ยึดถือครบเพลิงคนที่ถือครบเพลิงแล้ววิ่งทวน ล, ลมเนี่ยร้อนไหมเดี๋ยวไฟก็ไหมมือไหมสลีละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกามก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็โดนมันเล่นงานจนได้เรียบร้อยไม่มีใครสักรายเลยที่หมอกมุ่นอยู่กับกามแล้วจะกามมันจะให้คุณได้จริงกามมันก็ให้โทษเมื่อไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วก็ไม่สามารถจัดแจกจัดแจงมันได้จริงไม่สามารถที่จะบริหารจัดการมันได้เดี๋ยวก็กำเริบ ม, มาตลอดเนี่ย กามาคุณมันมีเป็นอย่างนี้ยสุขมันให้นิดเดียวนอกนั้นให้ทุกให้โทษยังดิ้นรนไปที่เนี่ยดิ้นรนไปหาการรมเนี่ยเขาก็จะเจอเขาก็จะเจ็บปวดแล้วน่ยเข้าน่ยเขาก็สมซานกลับมาใหม่ผิดหวังใช่ไหมเน่ยเข้าน่ยเขาก็ไม่ได้สมปราถนาหรอกเครียดกุ้มทะเลาะเบาะแวง้งด่าว่าขัดแย้งกันตลอดเวลาในบ้านก็ขัดแย้งกันทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งปู่ตายายย่าทั้งหลายเลยเนี้ย มีแต่การต่อว่ากันขัดแย้งกันตลอดเวลานี่ไงโทษของกลามแล้วพรางั้นเถอะจริงไม่จริงมันไม่เคยลงตัวได้หรอกว่างั้นเถอะบุตรก็ทะเลาะ ก, กับบิดามารดาผู้ติดอยู่ในกลามก็เหมือนกับถือไฟวิ่งทวนลมนี่แหละไฟก็ย่อมไหม้มือตนเองโดยไม่รู้ตัวว่าจะนำทุกภัยมาให้พระโพธิสัต์ท่านเห็นโทษอย่างนี้แหละท่านเลยไม่อยากเกี่ยวข้องกับกลาง ม, มาคุณทั้งหลายนั้นท่านจึงเ น, เน้นในการออกบวชว่างั้นเถอะออกจากกลามเสียอย่างนี้เป็นต้น หนออกไปแล้วไปพิจารณาดูนว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าหรืออย่าพิจารณาสิ่งที่ผ่านมาว่าเราเจอทุกเจอโทษอย่างนั้นจริงไหมมันสุขจริงไหมให้ไปพิจารณาอย่างนั้นแล้วพระดิษัทก็มองเห็นอนิสงค์ของการเนกของบําเพ็ญได้ธรรมะบอกว่าการบรรพชาเป็นทุนทางให้ออกจากการมคุณทั้งหลายเพรงนั้นทำให้ใจพ้นจากเครื่องเกี่ยวข้องในภพด้วยในการมาภพรูปภพด้วย มีคุณก็คือความเป็นผู้มักน้อยสันโดษในปัจจัย4ในอาหารและบินาบาทในกีวรในเสนาสนะในเพศสัตว์ด้วยต้องพิจารณาก่อนใช้สอยด้วยความวิเวกไม่คุกคีด้วยหมู่คณะปาราศจากความเพียนได้ความสะดวกบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ได้มีความประพฤติขัดเก้ากิเลสฉลาดในข้อปฏิบัติที่ปรินคนกาจัดกิเลสกิจทั้งหมดนี้ย่อมสําเร็จได้โดยฉับพันทีเดียวถ้าเราได้ไ ด, ได้ได้บรรพชาออกบวชนะ แต่ว่ากิจเหล่านี้ไม่สำเร็จในคารวานะคารวาเนี่จะมีหนึ่งาหุกิจโจกิจเยอะมีกิจการเยอะวั น, ว, นวันก็วุ่นวายอยู่กิจการต่างๆชีวิตค า, วารวะพหุ ก, ร ณ, กรณียโยมีกรณียกิจเล็กๆ น, น้อยๆอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันที่จะมาสงบจิตได้หรอกว่างั้นเถอะพหุราชา ป, ปัทโธก็ช่องทางก็คับแ ค, บ, คบมากทางเดินก็แคบๆนั่นแหละ จากบ้านไปโรงเรียนโรงเรียนมาบ้านก็วนๆว ๆ, ๆอยู่นั่นแนหะจากบ้านไปที่ทํางานที่ทํางานมาบ้านก็วน ๆ, ๆอยู่ในทางสายนั้นแหละแคบๆอยู่นั่นเลยพรนะหมู่สัมภาโทก็คือก็ค <c oughs> ือมันให้โทษมากมันต้องทุกข์ใจตลอดเวลาต้องมีเรื่องคับข้องตลอดเวลามันเป็นอาพาธมันเป็นความเศร้าหมองเป็นเป็นความเครียดเป็นความกัดกลุ่มตลอดเวลาเป็นความวุ่นวายตลอดเวลาเนี่ยชีวิตคารวัตเป็นอย่างนั้นแล้วก็พหุปญยนตาโยก็คือเป็นอันตรายต่อบุญโอกาส control, จะได้บุญน้อยมาก โอกาสจะได้เจริญทานกุศลศีลกุศลไม่มีเลยมีตะหมกมุ่นอยู่ในกามกันอยู่นั่นแหละวันวันหนึ่งเห็นสังเกตอยู่นะจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีความสบายใจไม่มีความเย็นตาเย็นใจใดๆเลยนี่ถ้าพิจารณาอย่างนั้นแต่ถ้านักบวชไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการประพฤติขัดเก้าฉลาดในข้อปฏิบัติที่บิดังคุณอย่งการกําจัดกิเลสกิจทั้งหมดเนี้ยสำเร็จได้โดยฉับพันทีเดียวเมื่อแก่บรรพชิตแต่ถ้าเป็นคารวัตไม่ได้ยิ่งจะประพฤติบา ร, รมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพ่พปเจพระเจ้าเป็นภาษาวกด้วยแล้วเนี่ยแทบจะแทบจะหาทางไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงโอกาสในการจะเจริญกุศลไม่มีแก่คุหัดไม่มีนะเออพอท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านก็บอกโหแล้วเราจะแล้วเราจะอยู่ทําไมในเพศคารวะงั้นเราบรรพชาเสือก่อนจะดีที่สุดคุณของบรรพชามีมากมายไม่สามารถคนานับได้อุปมาเหมือนว่าบุคคลไม่อาจจะนักลุกขึ้นในหมหาสมุทได้ว่า ในมหาสมุทมีลูกขึ้นอยู่เท่านั้นตัวนี้ชั้นใดการบวชเนี่ยมีคุณหลายนันานาประการว่างั้นอันนี้เป็นหลักพิจารณาในเดชคำว่าการการบวชเนี่ยมีประโยชน์มากหนึ่งไม่ต้องเป็นขี้ข่าใครใช่ไหมไม่ต้องไปรับใช้สองไม่ต้องจ่ายภาษีก่อนสก็มีความสุขกับการเจริญศีล 4. มีความสุขจากการปิดบาปทันทวันตาหูจมูกลิ้นกายใจความสุขจากการสันโดษยินดีไม่คลุกคลีด้ห ม, มู่มี มีความสุขต่อการพิจารณาในการกินในการดื่มในการเคี่ยวการลิ้มเป็นต้นเหล่านี้มีความสุขจากการสงบกิตจากกิเลสมีใจที่เป็นสมาธิได้ฝึกสมาธิระดับต่างๆได้เจริญปัญญาได้ความรู้ได้ข้อมูลแต่ทำจิตใจให้ผ่องแพร่เป็นต้นและมีโอกาสที่จะพ้นจากอบายทุกขติวิบัตินรกมากกว่าคารวะโอ้เนี่ยมันมีแต่คุณหมดเลยนะีถ้าเป็นคาวาะโดยส่วนใหญ่ก็ตกนรกเนี่ยนะตกนรกอย่างนี้เป็นต้นการพิจารณาลักษณะอย่างนี้แหละ มองเห็นนีอย่างเธอเนี่ยอะต่อไปก็หลักพิจารณาในการบําเพ็ญปัญญาบารมีนะเนี่ยการบวชเนี่ยได้มีโอกาสเป็นปัญญามาบารมีมากกว่าคารวะเพราะโพธิสัตว์เห็นโทษของโมหะเห็นโทษของความมืดบอดเห็นโทษของความหลงที่วนเวียนตะวินไหวตายเกิดอยู่ในกาลมาพบ้างรูปมาพบ้างกรูปมาพบ้างเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกตัณฑ์ฉานเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผอมวนอยู่เนี่ยวนวนวนนวนโอ้โหเนี่ย พิจารณาอย่างนี้เห็นโทษเลยโอ้ยโมหะนี่มันทําให้สัตว์ร่มหลงมัวเมาเดี๋ยวก็ไปร่มหลงเนี่ยเขามีอะไรมาก็ไปมัวเมากับเสมัยก่อนใช่ไหมอ่าเขามีอะไรอะ่ะมีไอตัวละครทั้งหลายมามีการละเล่นต่างๆมาเด็กเข้าก็มีพวกไอภาพยนต์การ์ตูนมาในโทรทัศน์เนี่ยใหมๆอุ้นติดกันใหญ่โอ้ยติดอะไรสารพัดหมดเด็กเข้าก็เด็เขาก็ติดเกมติดอะไรต่างๆเลยเนี่ยสารพัดหมดเลยเห็นไหมมัวเมา คนไม่มีปัญญาก็โดนหลอกเหมือนแมลงเมา่าที่เขาเหมือนเสาไฟที่เขาติดไฟไว้แมลงเม่าก็บินไปก็ตายกันอยู่แถวนั้นละนั้นการทํากิจธุระอะไรๆถ้าขาดปัญญาเสียก่อนแล้วการงานเหล่านั้นไม่อาจจะสําเร็จได้เลยยิ่งการให้ทานนะถ้าขาดปัญญาก็ให้ทานไม่สาเร็จไม่ถูกต้องรักษาศีลก็ไม่สําเร็จเจริญภาวนาขาดปัญญาไม่ได้เลยเพราะถ้าขาดปัญญาแล้วกิเลสทั้งหลายคือตัณหาความยินความความความยินดีทั้งหลายที่ถืความมินผิดเป็นต้น มันก็เข้าไปอาศัยกุศลธรรมเหล่า น, นั้นก็ไม่บริสุทธิ์ยิ่งผู้ที่ปรารถนาจะนําพาผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์แล้วเนี่ยถ้าขาดปัญญาไม่ได้เลยบอกงั้นเห็นมา ว, าว่าว่าปัญญานี่เป็นแสงสว่างเป็นเครื่องนําทางชีวิตพระโพธิสัตว์ก็มองเห็นอนิสงค์ของปัญญาว่าทานจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาภาวนาจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญากิเลสทั้งหลายจะหมดได้ก็ด้วยปัญญากําลังอะไรเสมอด้วยปัญญาไม่มีบอกว่างั้น ทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดเนี่ยวังันเถอะเพราะไม่มีบุคคลหมู่คณะใดนะวงันนะเพราะไม่มีบุคคลหมู่ใดไม่ต้องการมีปัญญาฉะนั้นเราต้องสั่งสมปัญญาบา ร, รมีเถิดเพราะปัญญาเนี่เป็นอาวุธในการกำจัดกิเลสทั้งหลายนังท่านว่อยแสงสว่างเสมอโดยปัญญาไม่มีการได้มาซึ่งสัพพยตยานก็ต้องอาศัยปัญญานี่แหละและปัญญาก็นำมาซึ่งคุณวิเศษทั้งปวงเนี่ยวงันเถอะ เนี่ยพอพิจารณานเนี่ยเลคือหลักการพิจารณานในการจบำเพ็ญปัญญาบัณฑุอภิการต่อมาคือหลักการพิจารณานในการบําเพ็ญะไรบําเพ็ญวิริยะบารมีเพราะพระโพธิสัตว์ก็เห็นโทษของความไม่อุตสาหะการงานทุกอย่างในโลกเนี่ยที่ไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขาดอะไรว่าขาดวิริยะขาดความแก้วกล้ า, ลาขาดความเพียรมัวเพลิดเพลินอยู่ในความเกียดค้านมัวเมาอยู่ในชีวิต เป็นที่เกียรติชามของบัณฑิตทั้งหลายด้วยเกิดมาร้อยปีก็ไร้ประโยชน์คนเกียรตค้านเนี่ยต่อให้มีอายุอยู่ร้อยปีก็ไร้ประโยชน์ผู้ที่ปรารถนาจะได้ราบได้ยศได้สุขได้สลรเสริญและพ้นจากทุกข์ถ้าเว้นจากอุตสาหะเว้นจากความบากบัน่นเว้นจากการงานนั้นแล้วจะสําเร็จได้อย่างไรนี่ไหมจะสําเร็จไม่ได้เลยนี่พิจารณา ท่านก็มองเห็นอ น, นิสงของความเพียรของวิ ร, ยริยะบอกผู้มีความเพียรย่อมนำคุณธรรมทั้งหลายที่ยังไม่สําเร็จให้สําเร็จได้ <c oughs> ความเพียรความลวกล้าหาเป็นตะบะเป็นเครื่องขัดกราวกิเลส ด, ด้วยเป็นตัวบ่มโพธิญาณคือบ่มปัญญาบ่มญาณปัญญาให้แ ก, ก่กล้าทําให้ฐานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาเป็นต้นจนถึงเบบขาบารมีนะั้นสําเร็จได้ก็ต้องเพียรต้องรุดไปตั้งหน้าต้องบุกไปข้างหน้านี่แหละ เพราะการที่จะได้มาซึ่งสัมมาสัมปอริยานปัจเจกอริยาณสาวกอริยาณต้องใช้ระยะเวลาเป็นอย่างน้อยนะถ้าอย่างสัมมาสัมปพริญานก็ยี่สิบสองขายกับแสนกลับนี่จะต้องใช้ความเพียรความอดทนในการที่จะสร้างบา ร, รมีนะทีกว่าจะได้มางั้นต้องทํากุศลต่างๆย่อมมีหมู่มานย่อมมีกิเลสมารมาขัดขวางย่อมมีขันธ์มารคือเบญญขันธ์ขัดขวาง ย่อมมีภิสังขาระมานเอกกรรมที่ผิดพลาดทั้งหลายม า, มาขิดมาขัดขวางย่อมมีมัจจุมานคือความตายมาขัดขวางย่อมมีเทวปุตตมาเ น, นี่ยมานคือพวกกลุ่มเทวดาที่มิฉาทิถีทั้งหลายมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าไม่มีความเพียรเท่าแล้วเราจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคได้ยังไงเห็นไหมลราเหมือนจะทําการงานทั้งหลายยังจะเรียนหนังสือเกียรติค้างเนี่ยไอ้กิเลสนั่นแหละทำให้เรามัวเมาอยู่ ถ้าไม่ฝ่าฟันเอาชนะกิเลสเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรเ อ, อนี่พิจรารณาอย่างนี้นะโอ้ไม่ได้เลยขาดความเพียรได้ไหมการงานทุกอย่างขาดความเพียรไม่ได้แล้วต้องมีความรู้ก่อนไม่ถึงจะเพียรได้ไม่จะเพียรแบบมึนมึ น, มนงงงนะต้องเพียรแบบรู้แบบเข้าใจด้วยต้องศึกษาเส้นทางให้ดีในการที่จะเดินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น ต้องมีมามีกิเลสมามาขัดขวางตลอดจึงต้องใช้กําลังคือความเพียรในการประหัดประหารอย่างไม่ย่อท้อเมื่อทําอย่างนี้ก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้จะให้ใครมาช่วยบําเพ็ญบาร ม, ไมีไม่ได้เพราะกิเลสของใครคนนั้นก็ต้องละเองไม่ใช่ว่าเออฉันมีกิเลสคือความเกลียดค้านอยู่เฮ้ยช่วยน้อยคนอื่นมาละแทนเราได้ไหมฉันมีความโลภอยู่ฉันมีความโกรธอยู่ฉันมีความหลงอยู่ในใจคุณต้องละเองนะ ไม่ใช่ว่าวาเนี่วานนี่ก็อื่นขอรองคนอื่นมาไลา่เราไม่ได้นั้นะเราก็ต้องเพียรพยายามที่จะต้องละเองนี่หลักการพิจารวิริยะบารมีเป็นอย่างนี้อัปการต่อมาคือหลักการพิจารณาในการบําเพ็ญคติบารมีเพราะโพธิสัตว์ต้องเห็นโทษของการไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความโกรธว่าความโกรธย่อมทำให้สัตว์ทั้งหลายทะเลาะ ก, กันจริงไหมความโกรธทำให้สัตว์ทั้งหลายขัดแย้งกันทําให้โลกยิพินาศด้วย สัตว์ทั้งหลายเค้นข้ากันเพราะอะไรก็เ พ, เพราะโกรดนี่แหละเป็นเหตุให้เพื่อนต้องแตกจากเพื่อนญาติต้องแตกจากญาติสามีภรรยาต้องแตกจากสามีภรรยาบุตรต้องแตกจากพ่อจากแม่เนี่ยลองไปดูเถอะไอคนที่ทะเลาะกันที่ทั้งหลายก็เพราะไอโกรดนี่แหละเพราะอะไรเพราะขาดชันตีบา ร, รมีอย่างนั้นเอถอะญาติทั้งหลายก็ต้องแตกจากญาติเป็นต้นสัตว์ทั้งหลายก็ต้องร่าร้อนอยู่เป็นนิดเป็นเหตุนํามาซึ่งทุกข์มากมายเป็นเหตุนํามาซึ่งโรคต่างๆด้วย แล้วก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของอกุศลธรรมมีราคาโทสามโมหะทํากิจให้ซัตว์สายกระสับกระสายไม่มั่นคงเป็นที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้บัณฑิตทั้งหลายก็ติเตียนคนมากโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเนี่เป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ทั้งปวงและเพราะความประมาทนี่แหละเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายก็เลยโกรธกันทะเลาะกันต่อมาท่านก็เลยพิจรารณาในสงของขันติบอกว่าผู้มีความอดทนเป็นผู้ที่ควรแก่การงานทั้งหลายทําให้ป่าฟานอุปสรรคที่คอยขัดขวาง เป็นผู้ควรแก่การบรรลุธรรมนะคนที่มีคันติเนี่ยเป็นธรรมมีอุปการะต่อการปฏิบัติที่เป็นปฏิบัติต่อกิเลสทั้งปวงด้วยเป็นคุณธรรมที่สามารถข่มกิเลสได้ข่มอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาก็ได้เป็นคุณธรรมดุดแผ่น ด, ดินที่รองรับสิ่งทั้งปวงนำมาซึ่งผลฉะนั้นนำมาซึ่งสัมมาสัมปปยญาผลคือสัมมาสัมปปญญาณปัเจพรญสาวกผรญเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ เ, เพราะคันติ แล้วก็การจะผลสรพพสารให้ออกจากสังสารทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ก็ต้องอาศัยคตินี่แหละ น, นี่คือหลักการพิจารณาคติบา ร, รมีอย่างนี้เยอๆๆต่อไปก็หลักการคติพิจารณาในสัจจะบา ร, รมีนะบอกว่าคาพูดที่ไม่จริงเป็นธรรมลามกเป็นต้นเหล่านี้เป็นเหตุใหสัตว์ทั้งหลายเสียประโยชน์ทําให้บุคคลไม่ไม่ควรเชื่อถือ ผู้ขาดศัจจานี่ยไม่ควรแก่การที่จะปฏิญญาณไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมที่ตนเองได้พูดไว้และย่อมเสื่อมจากคุณธรรมทั้งปวงโอ้เสียหายมากนะ เ, นเสียสัจจ์เสียเลยนี่คือโทษท่านก็มองเห็นอานิสงค์ของศัจจ์ความจริงว่าคุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะศัจจ์ที่มีอยู่ในตนเนี่ยคนมีศัจจ์ทำอะไรก็ตามย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือมีจิตที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนความคิด การบำเพ็ญบารมีก็ย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขทําให้สัตว์มีที่พึ่งได้สามารถพาบุคคลที่กําลังมีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์อันยิ่งใหญ่และอันใหญ่หลวงได้และสามารถบำเพ็ญโพธิสมภาระให้สําเร็จปริบูรณ์และให้บรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้นี่คือหลักการพิจารณาสัจธรบารมีประการที่8ก็หลักการพิจารณาในอธิษฐานบารมีต่อเร็วไปไหม รอเพราะบริษัทก็เห็นโทษของความมีใจหวั่นไหวง่ายของบุคคลใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นคนที่มีจิตใจหวั่นไหวง่ายในสิ่งที่กําลังทํำก็ขาดความเชื่อมั่นในตนเองย่อมเป็นคนหวั่นไหวต่อการบําเพ็ญบารมีนะพอจะบําเพ็ญทานบารมีพอทําไปได้หน่อยก็หวั่นไหวถอนความตั่งใจไปแล้วศีลบารมีเนคขมาปัญญาวิริยะคันติทั้งหลายเลยเนี่ยนะ ก็เปลี่ยนใจอยู่ตลอดท้อถอยในการบําเพ็ญพอไปเจอความยากความลําบากหน่อยก็โอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเฉะั้นการจะกระทําให้บา ร, รมีสืประการตัวเองเนี่ยกําลังบําเพ็ญอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ทําได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเพียงเนี่ยบุคคลที่ขาดอาธิษฐานนะเนี่ยเสียหายที่มองเห็นอันนี้สองของอธิษฐานก็ความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวว่าบุคคลที่มีจิตเป็นหนึ่งไม่ท้อถอยเด็ดเดี่ยวเช่นนี้สามารถสร้างบา ร, รมีทั้งปวงได้ ก็ไม่พานพึงต่อคำสารเสริญและลาภสกาลาทั้งปวงบุคคลที่มีจิตใจเช่นนี้ก็ย่อมสามารถนำผลคือสาวกพธิญาณบ้างปัจเจกพธิญาณสัมมาสัมพธิยญาณให้สำเร็จได้ง่ายฉะนั้นต้องไม่ถอดความตั้งใจอันนี้สำคัญมากอธิษฐานแล้วทำตั้งใจแล้วทำเี็นต่อไปก็หลักการพิจารณาในเมตตาบารมี เห็นโทษของบุคคลผู้ขาดเมตตาว่าธรรมดาบุคคลในโลกเนี่ยถ้าหากไม่มีความกรุณาปราณีต่อกันแลกกันก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉาริษยาเกียดติกันความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเลือนลางหายไปจากใจต่างคนต่างเห็นแก่ตัวความมีน้ำใจเกื้อกูลต่อกันก็เรลือนหายไปบุรเอวยิดาเอยทั้งหลายก็ไม่เคารพมารดาบิดาสิท์ก็ไม่เคารพครูอาจารย์ สังคมทุกชนชั้นก็อยู่กันด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายประกาดกันคุณธรรมคําจุนก็คือเมตตากันไม่มีความรักปรารถนาดีกันต่อกันนี่ท่านกพัพิจารณามองเห็นอนิสง์ของเมตต า, าความปรารถนาดีต่อกันและกันนาสุขมาให้แก่สัตว์โลกความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ความกังวลไม่หวาดกลัวต่อภัยทั้งหลายด้วยสัตว์ทั้งหลายก็เป็นมิตรกันทุกคนก็มีความอบอ้อมอารีมีน้ําใจรักกันโลกก็น่าอยู่ เพราะคุณธรรมคือเมตตาเนี่ยเป็นเหตุให้กุศลธรรมเจริญได้ง่ายนำมาซึ่งคุณวิเศษด้วยฉะนั้นเมตตานี้จึงทําให้มีทําให้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมีมาหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่ก็เป็นหลักการพิจารณาของเมตตาบารมีนะสุดท้ายก็คือพิจารณาวเบกดขาบารมีท่านเห็นโทษของความลำเอียงบุคคลในโลกว่าจิตใจหวั่นไหวต่อโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดนินทาสารเสริญสุขและทุกข์ เห็นตัวเองดีกว่าคนอื่นเห็นคนอื่นต่ํากว่าตัวเองมีใจตกอยู่ในอำนาจตัณหามานะต้นต้นแข่งดีแข่งเด่นกันก็ว่ากันไปแล้วก็จิตใจก็วันไหวผูกพันอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่ยั่วยวนทําให้ใจเป็นทุกตกต่ําไม่เจริญในกุศลธรรมที่จะสูงสูขึ้นไปท่านก็เลยพิจารณาเห็นอณิสงของอุเบกขาว่าคุณธรรมมีทานบา ร, รมีเป็นต้นจะบริบูร์ได้เพราะมีใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่ดีและนที่น่าเกลียด ฉะนั้นถ้าเราจะให้ทานเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยเอาแล้วเราก็จะเอียงและก็จะไม่มีความสม่ําเสมอไม่มีดุลยภาพขอการให้วางใจไม่เป็นรักษาศีลก็เหมือนกันใจก็จะเอ็นเอียงเป็นต้นเนีเอ็นเอียงไปเนี่ยมีลาบเสื่มลาบมียอดเสริมเอเอียงอยู่อย่างนี้แหละไปยินดียินร้ายินดียินรไลอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีตัวอเบรขาไปดุลให้ให้จิตนั้นเข้าถึงดุลยภาพเข้าถึงความสม่ําเสมอเรียบเข้าถึงความเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ย การบำเป็นบรารมีก็ไม่ได้ดุลไม่ถึงจุดสุดยอดสัทีว่าแม้แต่ไม่ถึงจุดสูงสุดเป็นการบำเป็นบรารมีที่มีความลำเอียง่ตลอดเวลาเลือกที่รักผักที่ช้ำตลอดเวลาไม่เสมอต้ น, ไ ม, มตนไม่เสมอปลายมันลำไ ม, มันลำเอียงนี่ขาดเวขาถ้ามีเวขามจะหนึ่ง 1, เสมอต้นเสมอปลายสเสมอในสุขเสมอในทุกใช่ไหมแล้วก็ไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชเนี่ยจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นผู้เวทเจะเวขาเสร็จแล้วบรารมีทั้งหลายก็สําเร็จลงไม่ได้ ซึ่งเป็นบารมีข้อสุดท้ายที่ทําให้พระโพธิสัตวอดทนในการสร้างคุณธรรมเพื่อให้บรรลุสัมมาสัมพุิธญาณนี่ก็เป็นหลักการพิจารณาเวขาบารมีนะนี่หลักการบําเป็นบารมีให้บริบูรณ์นี่โดยย่อประการต่อมาถามว่าธรรมะอะไรเป็นข้อปฏิบัติของบารมีทั้งหลายนั้นธรรมะอะไรประการมันเป็นบารมีมีทานบารมีเป็นต้นเนี่ยเพื่อความมโนข้อสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี้เป็นข้อปฏิบัติของบารมีทั้งหลายยกตัวอย่างเช่น ข้อปฏิบัติในทานบารมีนะในการให้ทานการบริจาคเครื่องอํานวยความสุขให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นการบริจาคอา ว, วัยวะร่างกายและชีวิตของตนการชี้แจงแสดงธรรมเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายแสดงเห็นข้อปฏิบัติทั้งทานบารมีนะีทานบารมีก็เลยมี3ระดับ 1. อมิสทานการให้วัตถุสิ่งของเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นเคยไหมเคยทำไหมเคยให้ไหมสออภัยทาน ได้แก่การกําหนดเขตป้องกันภัยแก่สัตว์ทั้งหลายศีลก็เป็นอวัยทานให้ความปลอดภัยในสัตว์สามก็ธรรมทานก็คือการชี้แจงหลักการทั้งหลายอมิตรทานก็แบ่งเป็นสองอย่างทานที่เป็นวัตถุภายนอกข้าวน้ําเครื่องนึ่งขมยานผ่านนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่โยใสยประทิบเครื่องอุปกรณ์อันนวยความสุขอันนำมาซึ่งความปราบปลื้มใจ แก้วมันีทองเงินแก้วมุกดาแก้วประการนาไล่สวนธาตุชายหญิงโคกระบือเป็นต้นเ อ, อท่านพิจารณายัางไงท่านพิจารณาว่าไอ้วัตถุทานเนี่ยบอกว่าเราจะให้วัตถุทานเนี่ยแก่ผู้ที่มีความต้องการทีนี้แม้เขาไม่ต้องการเราก็จะให้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าชอบใจ ไม่ให้เพราะหวังการอุปการะตอบแทนเด้ออให้เพราะต้องการสละต้องการขัดเกลาจริงๆและในการให้ก็จะเลือกจะพิจารณาด้วยไม่ให้สัตราวุธไม่ให้ยาพิษไม่ให้ของมึนเมาอําจะนำมาซึ่งความเบียดเบียนแก่ศัตรูตั้งๆไม่ใช่โอ้เนี่ยเรายาพิษไปให้เขาเอาสตราวุธไปให้เขาเอาของมึนเมาไปให้เขาเป็นไหมเป็นบารมีไหมไม่เป็นนะซื้อเหล้าแจกเพื่อนเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นให้เกมให้เกมอ่ะ เอาเกมให้เพื่อนเป็นบารมีไหมให้ของมึนเมาให้ของมึนเมาให้ของหลวงเลยให้ทานที่เหมาะสมแก่ครหัสถ์และแก่บัญญัตชิตทั้งหลายด้วยเมื่อให้ก็ไม่ให้เกิดความเบียดเบียนแก่ใครๆนะเช่นไม่ให้ให้ปุบไปเบียดเบียนพ่อเบียดเบียนแม่บิดเบียนญาติมิตรอมตบุตรภรยาธาตกรรมกรไม่เบียดเบียนสมมุติว่าเราให้อะไรสักคนเราอยากให้เขาสุข แต่ว่าเราไม่รู้ว่ากันเราทํากันแล้วกันเราทำให้เข้าบาปเราบาปไหเอ็นอะไรก็สมมติว่าเราให้ขนมเขาเราอยากให้เข้าสุขแต่จริงๆเขาเป็นโรคกว้านอยอืงเราบาปอ่ะเราไม่อยากให้เขาเป็นนะแต่ก็เป็นเราบาปอะอย่างนี้เขาจะให้ด้วยขาดกันอย่างพระเจ้าบอกว่าเวลาจะให้ต้องมีปัญญาต้องรู้ว่า สิ่งที่เราให้นั้นเป็นประโยชน์แก่เขาไหมถ้าเป็นโทษก็อย่ า, าให้แต่ถ้าเกิดเราให้ไปแล้วมันรบกวนอ๋ออย่างนี้เขาเรียกให้โดยไม่มีวิจยายทา น, นังพระเจ้าไม่สารเสวนะรบกวนต้องดูว่าให้ไปแล้วแล้วเป็นอันตรายกับเขาจะเป็นมันก็มีโทษเมื่อวัตถุทานมีมากไม่ให้วัตถุทานที่เศร้าหมอง ไม่ให้เพราะหวังลาบสการะหรือเสียงสารเสริญอันจะเกิดขึ้นไม่ให้พราะหวังผลพราะผลของทานนี้จะเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์เป็นต้นไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ให้ทานพ่อมุ่งหวังอะไรประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิ ต, ต, จตพ่อหวังบรรลุสัมมาสัมพวิยาณหรือปัจเจกับพุธิยานสาวกพุธิญานเป็นต้นเนี่ยนะไม่ให้พ่อรังเกียดผู้ขอหรือไทยจ ร, รทำใช่โอ้ของนี้ไม่ดีว่ให้เขาซะเลยเคยไหม เอ้ น, นี่น่าเกียดว่ะให้มันไปให้มันไปเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้วางท่าดีทางใจอย่างนั้นไม่ให้ดูดอาการจะทิ้งอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนมาขอเป็นคนไม่ดีอ่ะเคยเห็นไหมเป็นคนแบบขอทานเงี้ยแล้วแบบนั่งเกียรดนะเหมือนจอกโยนให้เขาเนี่ยอันนี้ก็เรียกให้ด้วยใจที่เหมือนจะทิ้งให้แบบไม่สัมรวมแม้ผู้นั้นด่าว่าลึก ผู้โกรธที่แท้ก็จิตเลื่อมใสแล้วจึงให้นะเราไม่ไม่ไม่ไมไมไมโกรธต่อเพื่ออนุเคราะห์ด้วยอาการที่เคารพในทานและผู้รับทานด้วยทำสุดไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวข่าวลือม า, าโอ้ยไปให้คนคนนี้แล้วมันจะได้บุญได้อะไรเงี้ยไม่เชื่อนะแต่เชื่อกรรำและเชื่อผลของการกระทําเท่านั้นไม่ให้โดยใช้วาจาหยาบหรือมีใบหน้าหน้าเยิ้วคิ้วขมวด แต่เวลาจะให้ก็ให้ด้วยการพูดที่น่ารักพูดก่อนแล้วก็พูดพอเหมาะอย่างบอกว่าเวลาจะของไปให้เ้าก็คุณครับพอดีมีของดีของที่เลิศของที่สะอาดขอมอบให้คุณครับเนี่ยพูดพอหมาอย่างเงี้ยนะอยากให้คุณได้ของดีๆแล้วประทานครับโอ้ oh, นี้เสื้อผ้ามาอย่างดีเลยเดีย๋ยวทักก่อนเนี่ยนะเป็นอะไคนเพรเวลาให้ไม่ใช่ให้อย่างเดียวปากพูดไพเราะด้วยในการให้ ฝึกนะพวกเราต้องฝึกกันพอใจในการที่จะให้เมื่อเกิดความโลภในทายาธรรมเพราะความพอใจในวัตถุทานนั้นดียิ่งก็ยิ่งดีนะเพราะกิเลสที่สั่งสมมานานก็ดีเพราะความอยากด้วยตัณหาตามสภาวะก็ดีพระโพอธิสัตว์กําหนดรู้อยู่และบรรเทาความยึดติดในทายธรรมโดยเร็วรีบสแสวงหายาจกเลยยกตัวอย่างเช่นนะเราได้อาหารดีๆนี่นะอือออย่างเรียนแชมป์ไปได้ ไก่ปิ้งมาหมูปิ้งมาโอ้สุดยอดเลยเนี่ยให้ให้นึกเลยเออเราจะต้องทำลายทำลายอะไรอ่ะทลายอะไรตันหาทตั้นหาคือความอยากให้ได้แล้วก็รีบหาแล้วใครน้อจะกินอันนี้ <c oughs> เอาเอาไหมครับเอาไหมครับเลยไปเลยเดินหาเลยสละให้เลยพอสละได้เมาาื่อไรปุ๊บเนี่ยไอ้ตันหามจะถูกทำลายเนี่ยให้ชื่นใจว่านี่เราได้ทำลายมันแล้ว ต่อไปจะกินได้แต่ต้องไม่ไม่เกิดความกสานความยินดีอย่างนี้เนี่ยทําลายแบบนี้เลยเลยดีไหมต้องแบบให้ทนะันอืมทำให้ทนันอันต้องฉลาด<ม>ก็กําหนดรู้นะบรรเทาความยึดติดรีบแสวงหาคนให้สแสวงหาคนขอไายธรรมมีน้อยเมื่อยาจกมาขอก็<ม>ให้โดยไม่คํานึงถึงความลําบากของตอนทําได้ไหมตรงนี้ โอ้มีน้ำอยู่แค่เนี้ยหิวน้ำครับแอ้เราก็หิวด้วยอ่ะทำไงดีตอนเองลำบากไหมลำบากเอ้าใข้เลยสละทันทีเลยสละทันทียอมลำบากให้เขาได้มีความสุขเมื่อจะบริจาคบุตรภรรยาทาสกรรมกรของตนเมื่อชนเหล่านั้นไม่ยินยอมอนุโมทนาย่อมไม่เกิดย่อมไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจ ก็ยอมบริจาคให้แก่ยาจากนั้นก็คือจริงๆเวลาจะบริจาคต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะดูคนนึงว่าทำให้าต้องทําให้เขายินดีไม่ใช่บังคับจะไม่มีการบังคับให้แม้ชนเหล่านั้นยินยอมโมโน า, นานด้วยความปราดเพื่มยินดีในการบริจาคบริษัทก็ยอมบริจาคให้แก่ยาจากทั้งหลายแต่ถ้ารู้ว่ายาจากเหล่านั้นเป็นยักษ์เป็นรากสดเป็นปีศาจหรือเป็นมนุษย์ผู้ทํางานหยาบช้าไม่ราชสมบัติก็ไม่ให้แก่คนเหล่านีน้แก่ไม่ให้เพราะให้แล้วจะเป็นอันตราย จ ะ, จะให้ก็ต้องดูด้วยว่าให้แลเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทีนี้วัตถุทานภายในคนทราบการบริจาคโดยการ2 อ, อย่างคือเพื่ออนุข้อสัตว์ทั้งหลายและเพื่อบ่มสัมมาสัมปชัญาะในแก่ก้านะเหมือนบุรุษคนใดคนหนึ่งยอมสละตนเองเพื่อเหตดแห่งอาหารและเครื่องปกปิดที่อยู่อาศัยเป็นต้นเพื่ออนุข้อบุคคลอื่นจึงยอมเชื่อฟังยอมเป็นท่าชั้นใด เพราะพลิสัยกระฉันนั้นเป็นผู้มีใจปราศจากอามิตต่างๆเลยนะเพราะเหตุแห่งสัมมาสัพพะริยา น, นีปราถนาประโยชน์สุขกันยอดเยี่ยมแกสัตว์ทั้งหลายจึงประสงค์จะบำเพ็ญทานบารมีของตนยอมสละตนเพื่อผู้อื่นยอมเป็นผู้เชื่อฟังยอมเป็นผู้ต้องทําตามความประสงค์ประสงค์อะไรก็คือประสงค์สัมมาสัโพะริยาณจึงต้องทําไม่วันไหวไม่ทอ้อแท้มอบอวัยวะน้อยใหญ่มีมือหรือเท้าและในตาเป็นต้นให้แก่ผู้ต้องการอาวัยวะนั้นๆ ไม่มีใจติดข้องเลยทนะ่พิจารณาตลอดทุกวันเลยนะเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยี่อกระดูกท่านวประโยชน์แกใครอ่ะท่านพิจารณาก่อนไม่ใช่พึ่งจะมาให้ให้ให้เลยนะอย่างของทุกอย่างที่เรามีอยู่ต้องพิจารณาพิจารณาตลอดว่าถึงการไหนเราจะสละการไหนเราจะให้ที่ไนหะต้องไม่ติดข้องทุกอย่างเนี่ยพิจารณาไว้ทั้งหมดเลยถึงโอกาสเราจะสละให้หมดสละให้หมดท่านคิดจะพิจารณาตลอดเห็นอะไรต่างๆแบบนี้สิ่งของทั้งหมดเหล่านี้ เราจะไม่ยึดติดไว้เราจะสละัเราจะให้ท่านพิจารณาแม้แต่ภายในกระแสะชีวิตของตนเองท่านคิดขนาดนั้นนะไม่ใช่ให้แบบมัวเมาให้แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่งั้นเลยนะท่านไม่ติดข้องไม่แสดงอาการเยิ้วหน้าแม้ในขณะมอบอวัยวะเช่นเวลาจะควักดวงตาให้เนี่ยไม่เอาเนี่ยทําหน้ า, สาเสยิ้วหัวงี้เหมือนให้ข้างนอกยังไงก็อย่างนั้นเลยเห็นพิจารณาอย่างนี้น เหมือนการบริจาคเป็นความจริงว่าพราะบริษัทวเนี่ยประสงค์จะให้ความปรารถนาของตนถึงที่สุดก็สละวัตถุภายนอกด้วยการ2 อ, อย่างนะคิดว่าเราให้ทานหมดสิน้นแม้จกบรรลุโพธิญาณด้วยการเสียสละอย่างนี้แม้การบริจาควัตถุภายในเมื่อให้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ญาติจากแก่ผู้ขออย่างเดียวเท่านะั้นเพระบริษัทไม่ยอมไม่อาจจภาพร่างกายหรือวัยวะน้อยใหญ่ข ง, งตนเองแก่มาร น, นะถ้ามารมาขอไม่ให้ หรือเทวดาที่เป็นพวกของมารผู้ประสงค์จะเบียดเบียนเช่นต้องการจะฆ่าเนี่ยท่นแม่แมอันนี้แมวท่านต้องการให้ก็ต้องให้เดินข้อว่าขอความชิบหายอย่ามีแก่มารเหล่านั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไปยกตัวอย่างเช่นอ่ะอาจจะมีนนคนเป็นมารสมมุตินะมาขอเนี่ยเช่นมาขอชีวิตเนี่ยเราไปยอมให้ชีวิตเขาเขาชิดหายเลยเขาจะวิบัติเลยเข้าใจใช่ไหม ท่านไม่ได้หวงแต่ถ้าทําไปแล้ว พ, พวกพู้นี้คิดประทุษร้ายไม่ได้ขอจริงๆอย่างเช่นเขาจะมาขอตาเนี่ยจะ ต, ต้องการให้เราตาบอดเท่านั้นแหละแต่เขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องตาเลยหรอกอย่างเงี้ยท่านไม่ให้ถ้าให้ไปแล้วไอ้คนให้ไอ้คนรับไปจะจะวิบัติเพราะว่าคุณธรรมท่านสูงมากเห็นไหมท่านท่านไม่ใช่แบบคนโง่โงเนะี่ยท่านฉลาดมากเลยเนะ่ท่านแยกแยะออกหมดแล้วนั้นท่านบอกว่า ถึงคนเป็นบ้าก็ไม่ให้เช่นคนบ้ามาของเงี้ยมีสติสัมปชัญ ญ, ญะไหมโอ้นี่ไมหแต่คนนอกจากคนเหล่านี้ขอย่อมให้ตลอดไม่ไ ม, ไม่ไม่ขัดข้องเด้นเพราะการขอเช่นนั้นหาได้ยากและการให้เช่นนั้นก็ทำได้ยากอย่างยิ่งท่านมองเห็นหรือเปล่านงพิจารณาตลอนี่ในด้านของวัตถุทานประการต่อมาคืออภญทานนะอภิญทาน อภัยาทานก็คือควรทราบ ด, ด้วยความป้องกันภัยมันเกิดจากพระราชาบ้างภัยจากโจรจากไฟจากน้ําจากศัตรูจากสาตัตว์ร้ายราชสีเสีข้องเป็นต้นหรือจะปีศาจทั้งหลายเนี่ยเพราะมีอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็คือสามารถป้องกันภัยเขาได้ให้ความปลอดภัยแก่เขาบางทีเนี่ยเดินทางที่เดินเยมันมีโจรผู้ร้ายชุกชุมท่านก็ให้ไปสร้างโรงทานไว้กลางป่าแล้วก็มีคนคอยดูแล แล้วก็มีคนคอยรับไปส่งตลอดเส้นทางทา ใ, ให้ให้ความปลอดภัยบนขนาดนั้ น, นขนาดนั้นนะติดไฟการามทางอะไรต่างๆลรงเนี้ยออป้องกันอันตรายอันนี้เป็นเป็นทานที่บริษัททามาแล้วทั้งนั้นเนี่ยก็คือการให้ชีวิตสัตว์ในการไม่ฆ่าก็คือสามารถ จัดเป็นการอภัยทานนะก็คือหมายความยกโทษให้แก่คนที่มีโทษมีความผิดในตนเองโดยไม่ถือโทษไม่ถือสาในความผิดการให้ชีวิตสัตว์หรือการไม่ฆ่าแมใ้ในโอกาสที่จะฆ่าบางบางชาติเนี่ยอตอนนั้นเน่ยโหเขาจะฆ่าท่านเนี่ยท่านก็มีอุบายวิธีในการไปสู้รบและในสุดจริงๆก็สามารถตอนนั้นเน่ยเรื่องมัญญานในเรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยเราไปอ่านดูในรายละอียดเถเออท่านสามารถ มีพระเจ้าแผ่นดินประมาณร้อยกันหนึ่งประเทศที่ต้องการจะม า, มาล้อม เ, เมืองที่ท่า น, านเป็นอมาตย์อยู่ท่านสามารถเนะี่ยก็คือคนทั้งโลกอะ่ะเหมือนประเทศไทยเนี่ยนะเหมือนประเทศไทยแต่ว่ามีอีกหลายตั้งร้อยประเทศแต่ต้องการจะเข้ารวมตัวกันแล้วก็จะมายึดประเทศนี้ท่านสามารถสู้ชนะผู้นําประเทศร้อยกันหนึ่งประเทศแล้วเมื่อลอบชนะแล้ววางแผนโดยไม่ให้มีการเสียชีวิตนะแล้วจับพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นได้หมดเลย เมื่อจับมาได้เสเสร็จก็มาอบลมแล้วก็ปล่อยชีวิตแล้วแต่ข้าก็เลยเป็นมิตรสหายกันขนาดนั้นมีความฉลาดตพิงท่านนี่พอจะเข้าใจยังไหมในด้านธรรมทานได้แก่การแสดงธรรมที่ไม่วิปริตแก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองการชี้แจงประโยชน์ที่สมควรแนะนำผู้ที่ยังไม่เข้าถึงาศาสนาเข้าถึงวาศาสนา เพื่อ่เข้าถึงแล้วก็แนะนําให้เจริญงอกงามด้วยประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระทิพยานท่านแสดงธรรมที่ประกอบไปด้วยเรื่องทานเอ่ยสีเอยสวรรค์โทษของกรรมอนิสงส์ออกจากกรรมท่านก็แสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้แหละพระโพธิสัตว์นี่นะจุดมุ่งหมายของทานและผลของทานที่ควรรู้ก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อให้อมิสทานแก่สัตว์ทั้งหลายก็ให้ให้อาหารเป็นทานมีข้าวเป็นต้นได้ตั้งใจว่าเราจะให้อายุ ให้ผิวพันธุ์ให้ความสุขให้กำลังให้ปัญญาและสมบัติอันเป็นผลในหน้ารื่นลมให้สำเร็จประโยชน์แกสัตร์ต่างหลายด้วยทานนี้ให้น้ําเป็นทานเพื่ออะไรเพื่อระงับความกระหายคือกิเลสของัตว์ต่างหลายให้ผ้าเป็นทานก็เพื่อให้ผิวพันธุ์งามเพื่อให้สําเร็จเครื่องประดับคือหิริความละอายตะบากอัตบากความกลัวให้ยานพานะเป็นทานก็ให้สําเร็จอิทธิเห็นไหมเมื่อให้ยานเนี่ยยานให้ยานนาทานมาเยอะหนึ่งมีคนก็เอารถมาให้ทานก็ไปถวายพระ เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อต้องการเนี่ยให้อย่างนี้จะทําให้ได้อิทธิวิทยานได้ทีประจักษขูยาธิปโสตายานเจโตปริยญาณจะได้ปุเพทิวาสานุสติญาณจุตูปปาตยานและอาสวะกิยาญาณจะทําให้เราได้ญาณตัวเนี้ยทาไมเราไม่ให้ใช่ไหมเพราะได้มาเพราะสละให้เลยเนี่ยตอนนี้เป็นทวาแล้วก็มีวัดเองนะท่านขาดเรือสองลำเพราะท่านต้องบินบากเรือมาเลี้ยงพาทัางยี่สิบสามลูก อาจารย์ก็บริจาคเรือไปเลยสองลำใหญ่เนี่ยเห็นไหมให้ยานทานอย่างดีเรือนั่นก็เป็นปีๆ น, นั่มอาหารอย่างนี้เป็นต้นและให้ทําให้ได้นี่ผานสุขให้ของหอมเป็นทานเพื่อให้สําเร็จความหอมคือกลิ่นของศีนี่แหละให้ดอกไม้นนนเนี่ยอย่างเนี้เน้นชมป์เนี่ยทาดอกไม้บูชาพระเจ้าจะได้อะไรให้ของหอมดอกไม้เป็นต้นเครื่องรูปร้ายเป็นทานเพื่อให้สําเร็จความงามด้วยพุทธคุณจะได้ความงามอย่างพุทธคุณ ให้อาสนะเป็นทานเพื่อให้สําเร็จอสนาหน้าโพธิบนทฑลทาไมเราไม่ได้อาสนะการนั่งตัดสรู้เพราะเราไม่ได้สวายอาสนะเป็นทานเห็นไหมอาสนะเหล่าเนี้ถวายเนี่ยมีพวกเรานั่งกันเนี่ยเป็นอาสนะของอาจารย์ให้มาเนี่ยเนี่ยอาจารย์ก็จะต่อไปอาจารย์จะได้บรรลุสักทีก่านกันเถอะให้ที่นอนเป็นทานเพื่อให้สําเร็จตถาคตสายญาตก็คือการนอนแบบพระตถาคตนอนแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาอีกในสังสารวัฏ ให้ที่พักเป็นทานเนี่ยที่พักเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้สําเร็จความเป็นสารณะ ures. เป็นที่พึ่งต่อไปะจะได้เข้าถึงพุทธังสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิจะได้เข้าได้ที่พึ่งให้แสงสว่างเป็นทานเนี่ยให้แสงสว่างเป็นทานเนี่ยเพื่อให้สําเร็จปัญญาจากสูตรปัญญาจากสูตรที่กําจัดกิเลสได้ให้รูปเป็นทานเพื่อให้สําเร็จปอดกายวาหนึ่งให้เสียงเป็นทาน scarf. เพื่อให้สําเร็จเสียงดุดพรม ให้รถเป็นทานเพื่อให้เป็นที่ลักของสัตว์ทั้งหลายให้ผลิตภัณเป็นทานก็เพื่อความเป็นพุทธเจ้าในวยสุขมรชาติให้ความละเอียดอ่อนของพระเจ้าด้วยให้เพีรสัจฐานก็เพื่อความไม่แก่ไม่ตายให้ความเป็นไทยแก่ธาตุทั้งหลายก็เพื่อปลดเปลื้องความเป็นธาตกจีเลสให้ความยินดีในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานก็เพื่อความยินดีในพระสัตธรรมให้บุตรเป็นทานก็เพื่อนําออกจากความเป็นบุตรของตนในชาติที่เป็นอริยะให้ภรรยาเป็นทานเพื่อถึงความเป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้นด้วย ให้ทองให้แก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประการเป็นต้นเป็นทานเพื่อความบริบูรณ์แห่งลักษณะที่งดงามโออาจารย์เคยให้เพชรคนมีคนถวายเพชรอาจารย์มาเกเม็ดอาจารย์ก็ไปประดับบูชาพระเจ้าเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นให้เครื่องประดับนานาชนิดเป็นทานเพื่อความบริบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะน้อยใหญ่ให้ครังสมบัติเป็นทานเพื่อบรรลุพุทธธรรมให้ราชสมบัติเป็นทานเพื่อความเป็นธรรมราชา ให้สวนบ้างให้สะให้ปลาให้สถานที่รื่นลมเป็นฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งชานเป็นต้นให้เท้าเป็นฐานเพื่อก้าวไปสู่รัศมีโพธิที่มณฑลในฝ่าพระบาทมีรอยกงจับให้มือเป็นฐานเพื่อให้มือได้มือคือพระสัตว์ทำแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยในการที่จะข้าวพนจากโอค้าทั้งสมีกาโมคะให้หูให้จมูกเป็นฐานเพื่อให้ได้อินทรีย์ทั้งหลายก็คือจะได้ศรัทธา ความเชื่อมั่นได้วิริยะความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญาให้ตาเป็นทานเพื่อให้สําเร็จสมันตจักสุขคือจักสุขรอบครอบก็คือสัพพายุตยานให้เนื้อและเลือดเป็นทานก็หวังจะได้ประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายในการเห็นการฟังการระลึกตลอดการให้กายของเราพึงเป็นกายอันสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้อาศัยให้เอเววะสูงสุดคือชีวิตเป็นทานได้หวังว่าเราจะเป็นผู้สูงสุดในโลกทั้งปวงอันนั้นเป็นข้อเป็นบัตทในทานบาลมี นี่ข้อปฏิบัติทั้งหลายอะไรพอมองอย่างนี้ยังกันนี้มีอะไรจะ ท, ทำ